เพที่จะฟังสารปรคาถาเรื่องสิ่งทราบก็จะต้องมีพื้นปรมาภิธรรมอยู่ก่อ น, นถึงจะสึ่งทราบได้ถ้าหาว่าเรน่องพื้นปรมัติธรรมในพิศารนาอยู่ก่อนแล้วผมก็ต้องขออภยัยหากว่าท่านตามไปไม่ถึงก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพระกติวาทีสมวายะวาทีนั้นถ้าหากว่าท่านพระมหาปริญญน ที่เคยผ่านหลักสูตรมะเรียนธรรมชั้นสูงมาแล้วคือว่าผ่านหลักสูตรศึกษาคณิตวิสุทธิมัชมาแล้วก็จะเข้าใจดีในสองศับนี้ว่าสองศัพท์นี้มีอยู่ที่ไหนคําว่าภัจจ์ติกวาทีเป็นชื่อลัทธิลัทธิหนึ่งสมมวายยวาทีก็เป็นชื่อลัทธิลัทธิหนึ่งอันเป็นลัทธิภายนอกทุตสาวศาสนาปรากฏอยู่ในคมภีวิสุทธิมัชปฏิยภาปัญญาิเศ ในคำพิธีนี้วุดที่มากแนวสำคัญอย่างไรซึ่งในวงการประหยัดของเราต้องเลือกเอาไว้เป็นหลักสูตรของป ร, ริญญาชนเอกคํานธีตอนอื่นผมก็อยากจะแนะนําคำพิธีเรื่องนี้ก่อนเพรว่าคำพิธีเรื่มนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของธธรรรรรพุทธศาสนานิการเฉระวาดคือการที่นับถือภาษาบาลีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพุท ธ, ธรรรรพจน์คํานธีเรื่องนี้ท่านผู้ชง ท่านขุตโคสาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ราวปลายขุตสัตว์ที่เก้ต้นขุตสัตว์ที่สิบถ้าเมงกับในสมัยราชวงศ์ขุตตะปกครองอินเดียทางในทาลังกาก็เรืงกับพระสมัยพระเจ้ามหานามปกครองลังกาอยู่ตัวนี้เป็นวัพระกรามก่อเพราะฉะนั้นอ่ะท่านคงแตกแขนในลัทิเวแต่คำพีของรามเป็นอย่างดีปก็ติวาทีสมมาวายวาทีนั้นเป็นพระรัชยาของศาสนารามและเป็นรัชยาสําคัญด้วย เพราะฉะนั้นเขาอยู่นี่มาแต่งคําิีศษสุดมรรคกินได้นําเอาสองวัตถุนี้ในฐานะที่ท่านเชื่อทานมาก่อนมาเปรียบเทียบกับพุทธมติแล้วก็ได้ให้ข้อวินิจฉัยอย่างน่าฟังพร้อมทั้งเหตุผลคำพิเศษสุดมรรคนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ย่อความสำคัญใ at นพระไตรปิฎกนั่นเองคือย่อสาระของหนสืสาระของสมาธิสาระของปัญญาลงในคำสี่เล่มเดียวกันหนังสือเล่มนี้ภาพบรรดาที่เป็น นักปราศทางพุทธศาสนาหาก็าไม่ได้ผ่านแล้วก็ยังไม่มีฐานะที่จะเป็นนักปราศได้จะต้องผ่านตำราเรื่างนี้ก่อนจมีคุณสมบัติที่จะเรียกว่าเป็นนักปราศของพุทธศาสน า, าได้เล่อนี้เนะี่ยมีความสาคัญในขนาดนี้คราวนี้ในปฏิยาภาคมรญญะโลกในคํำพิสุดธิมรรคนั้นท่านพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวถึงปกติวารีสมวายวารีด้วยด้วยข้อความดังที่ผมเด่ายกลอกมาแล้วนี้ว่า น e? um, so, ิโรธาิญานิวาปินิโรโทจักเสสัตยะถิโยพละถิโววาเอกะเสตุสมิเโเยุตขัตสาภาวโตมัคเทจักนิโรทัสละนะเลเรนะตะคับโภปกติวาลีนังปกติอยะเสตุนยังจักพลังดุขสมิเตยานะมธมัทานันจากอธรมวาญานะเหตุสมเวตังเหตุพลังสมยวาญวาลีังดวิอนิาวาลิยะแปลความว่า ที่จางมีสัจจะที่สูญจากในโรดมีสามอย่างและในโรดก็สูญจากสัจจะที่เหลือทั้งสามสิ่งที่สูญจากเผลย่อมเป็นเหตุในที่นี้เพราะในสมุทัยไม่มีทุกและในมัดก็ไม่มีโรดข้อนี้ย่อมไม่เหมือนกับคําว่าปกติของพวกปกติวาทีที่ถือว่ามีเหตุผสมอยู่กับผลอันนี้สิ่งที่สูญจากเหตุย่อมเป็นผลเพราะทุกกับสมุทัยและและในโรดกับมัดย่อมไม่ร่วมกัน ข้อนี้ย่อมไม่เนื้อหนูสองตัวเป็นต้นของพวกสมมาวายวาทีที่ถือว่าสิ่งที่ประกอบอยู่กับเหตุชื่อว่าเหตุและผลนี่เปข้ อ, ขอความตอนหนึ่งในในอารยฐฐรรสัตวจริเทศซึ่สภุสโคสาได้กล่าวถึงคุณสมบัติของอริยสัตว์แต่ละหัวข้อแต่ละวัวข้ อ, แ ล, ขอแล้วก็สรุดเปรียบเที ย, ยบโดยยกนักทปรัชญาพราหมสองนักที่คือนักที่ปกติว่ากับนักทีฐฐ่สมวายวาทมาเปรียบเทียบกับหลักอารยสัตวมีข้อความในตอนหนึ่ง ในตอนหนึ่งในตอนแก้ปฏิกิริยาพุทธบาดพุทธะครูษาได้กล่าวคําว่าปกติยาดียกมาอีกตอนหนึ่งว่าตัตมประเนทะอวิชาอาดิเตโธวุตาตามีปฏิกิริยาดีนาปกติอิยะอวิชาปิอัคระนังมูละรล ะ, ระรนังโลกัสต้าปิณะอัคระนังอาสวะสมุเดยาอวิชาตมิตยรยักษ์ตระนังวุตังแปลความว่า เหตุชนัยท่านจึงกล่าวอาวิชาไว้เป็นข้อพ้นแม้อวิชานี้ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุแต่เป็นต้นเหตุเดิมของโลกนี้จะปกติของโลกปกติว่าทีอย่างนั้นหรือนิสัชนาว่าเปล่าหามได้อวิชานี้ใช่ว่าจากปร า, ากฏเหตุก็หามได้เพราะท่านกล่าวว่าเหตุของอวิชาไว้ว่าถ้าความโศกขึ้นแห่งอาสวะถึงไดเกิดอวิชานี่เป็นข้อควานอันที่สองในปฏิยภาพบัญญาลิเทศ ข, ของคำพูดลิบิติมัก ถ้าพ so ุดถึงภาษาได้กล่าวถึงหนาที่ปกติวาทีไว้หน้าที่ปกติวาทีคืออะไรหน้าที่สมวายวาทีคืออะไรอันนี้เป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องรู้คือว่าคําว่าปกติวาทีนั้นตรงกับภาษาอสงกฤิว่าปกติคือเื่นอย่างไทยๆว่าปกก็คือเรื่ององภาษาจีนก็ปกก็คืที่เราใช้กันอย่างภาษาสามัน่ะว่าภาวะปกก็คือคือคำคนี้แหละแต่คำคำนี้ไม่ได้แปลอย่างคาในภาษาไทยนํามาใช้ เป็นคำแทะที่เกินเทอมคือเป็นศัพบรรยัตพิเศษในลัที่สามขยะของพระามรัชทยาของพระามน่ะแบงออกด้วยกันเป็นหกหกพระที่หรือหกายเรียกว่าสัพท์พัฒน์นมคือว่าทัศนะ6ประการทัศนะหกประการเนี่ยก็ได้แต่อันแรกต่อรัชที่สามขยะเตาใจเพื่อนคือรัที่ปกติวาที่นี่แห ล, ละลัที่สามขยะท่านที่เป็นต้นรัที่มีชื่อว่า กระบินระบุนีหรือกระบินดาบทัท้งกระบินระบุนีผู้นี้ประวัติจะเป็นมาชั้นใดเรื่อปลากดแก่พัดเพราะว่าเป็นประเทีทางอินเดียนในสมัยโบราณใ้เรื่องการตดจารุกนั้นนะไม่ใครจะมีโยมกันแต่ว่าชอบจําชอบถายพอดทางลิก้กบาละเปนทางปากบอกเล่าใายพอดความรู้กันกิจตีนีนาเป็นชาติที่ชอบจ ด, ดชอบเขียนเพราะฉะนั้นวนรรณกรรมโบราณวิทยาจึงมีมากกว่าพิชชาตในเลกเพราะว่าจีนน่ะเป็นชาติแรกที่รู้จัก เพิ่มมันสูงขึ้นรู้จักทําตัวพิมพ์ขึ้นแล้วก็จริงก็ใช้อักษรจักข้าอักษรในการจารึกข้อความมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วจริงๆก็รู้จักค่าอักษรในการจารึกข้อความด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนะะมัชฌิมาทัศนจ้าโศกนีจะพูดให้กระชับก็บอว่าในสมัยพุทธกาลเองก็เริ่มรู้จักการใช้อักษรวิธีแล้วดังปรากฏในพุทธบัญญัติเกี่ยวกับห้ามไม่ให้ทําลาย ทำมาให้ทำลายอวัยวะจีวรนิ้วมือเนี่ยให้เสียไปวันนี้ก็มีเมื่อวานนิ้มีได้เสียไปนั้นนิ้มือถ้าสำหรับเขียนถ้าถึงตัวอักษรถึงอย่างในชาดกได้กลา่าวถึงการส่งสารระหว่างเมืองนั่นก็คือว่าแสดงว่าสมัยพิษกาเมีตัวหนังสือใช้กันแล้วยังใกล้เข้ามาก็ในสมัยพธธระเจ้อาอเล็กซานเดอร์มหาราชมาเป็นเมียหลังพุทธศุกร้อยปีเศษถึงสองรปีนั้นได้มีการส่งสารทางลับ โดยการปูนที่ปากพูดแล้วก็จารกข้องความในสารลงบนนิสัยหมดแล้วก็ปล่อยให้สมยาวแล้วถึงปล่อยตัวพูดฝ่ายเป็นผูดรับเป็นสายรับการเมืองกันที่สแสดงว่าข้างนั้นมีเินสีไทยกันแล้วแต่ทำไมถึงไทยเดียไม่มีเินเก็เพราว่าถ้าเป็นเรื่องลูกตาสนาถือว่าการแค่ตัวเงิ น, นงสีผิวน่ะไม่ักติไม่ักติจะต้องถ่ายพ่อดทางป่า นเป็นประเด็นของเขาบางทีเข า, าเว็เองก็ได้ที่ว่าจะรู้ติแล้วว่าฟังมาฟังมาจากี่รีสิตแต่ตนก่อนฟังมาจากที่พระพุทฟังมาจากเทวดาเพราะงั้นเขาอามาเขียไปแล้คลายความตักติดอย่างหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าประเทศมีการตรจจจารึก ข, ข้อความของศาสนานั้นคุตตศาสนานี่แหละคือศาสนาแรกในอินเดียที่ทําให้มีการตรวจจารึกข้อความในทางศาสนาขึ้นคราวนี้เราก็มาลึกเข้าในประเด็นที่ว่าเพราะอินเดียไม่มีการตรวจจารึก หลักฐานอะไรเป็นแน่นอนเราจึงไม่สามารถจะทราบว่าท่านกับิญบุีที่นี้น่ะมีประวัติต้นตอมาอย่างไรเราเราก็ต้องอาศัยการวิจายเอาคือว่าตามประวัตินั้นถ้าเราเคยอ่านเรื่องชาดเด็นะครับเราจะพบว่าที่ตั้งเมืองกบิญพัฒนีนี่นะความจริงแต่เดิมเป็นสำนักอาศศกของกบิญดาบดทึ่ในชาดเด็กล่าวว่ากับิญดาบทที่นี้แหะคือเขาเป็นศิปะครานี้ืวกมุนตักะยะซึ่งอพยพมาจากทางโูโสน เดินทางมาถึงที่ในป่าแ ห, ห่งนี้ในชายแดนพิมพานกบิลามุนีก็ชี้ให้เหนปัจจัยสร้างเมืองขึ้นตรงที่อาสมท่งางสรางไว้เพราะเหตุนั้นเมืองเมืองนี้จึงที่กว่าก บ, บิลพัฒเพื่อเป็นอัุษรแต่กบิลมุนีซึ่งเป็นเจ้าของที่มาแต่เดิมเพราะฉะนั้นจือ เ, เป็นต้นที่สานขยะถ้าจะถือตำลุทธิชาเด็กจะเป็นกบิลมุนีที่นี้กระมังถ้ า, าหาก็ใช่แล้วกบิลมุนีผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครก็คืออดีตข้าของขุนพิจ้ารณ์นั่นเอง มีเป็นข้อหนึ่งข้อสองบบิลามินีอีกข้อหนึ่งปรากฏในตำนานของวามว่าเป็นโอเปปาธิกะกำเนิดเกดิดขึ้นมีได้อาศัยมิดามานดาประกอบด้วยอิสระในความเป็นใหญ่ไวยราชีปราสจากราคะถึงร้อยรัฐแล้วก็ประกอบด้วยยานเป็นบูดบรรลุอภิญยาท่านผู้นี้มาสร้างอาสมสั่ง ส, งสอนลัทธิตรงที่ฝากไน้คงคา ในแคร่ผีหานแล้วก็ทีนี่แต่บรมนาคที่อาสงสิติปากไปน้ํำคงคาแห่งนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นที่สองกระวิดลมุนีขึ้นเป็นเจ้าของนักพิสานขยะน่ะจะเป็นพู้ที่นี่ได้ประอมัง้งอันนี้ก็สุดแต่ะวิดละสายเอาเพราะว่าเด็กล่าแล้วว่าประวัติกระวิมนีแต่โบราณน่ะมันมีหนังสือตําราจดเป็นหลักฐานก็ฟังฟังกันมาจำจๆกันม า, า, นมาถ่ายเทอากันมาอย่างนี้ก็ครับเราจะเอาความแน่นอนให้แน่ครับที่ขาลงไปนะ่ะไม่ได้ไต่อย่างไรก็ตามอ่า เรื่องของกิมลมุนีหรือเรื่องมนติสังขยะหรือมนติบัติวาดีนั้นตำราเพื่อจะปรากฏเป็นขิ้นเป็นอันในสมัยพุท ธ, ธตศตวรรษที่สิหลังที่พระเจ้าอยูานและตั้งพันธุ์ตเศษอ่าพราหมณ์คนแรกที่รวบรวมมนม์พิสังขยะนั้นชื่อว่าอิกวนิทนะอิศวนกิทณนะได้เป้ียนตำราทื่อว่าสังขยะการิกาสังขยะการิกาคำพีสังขยะการิกา สรุปเพียงที่อุปสมณเป็นที่เขียง ข, ข, ข, ข, ขึ้นอ่าจากําราเรื่องนี้ทำมาแล้ที่สางขยะเป็นลูกเป็นรอยให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาและกลายเป็นพัะนะอันหนึ่งในในประเด็นหกหกก็ที่ด้วยกันของพรัศิยาพรมเพราะฉะนั้นถ้าจะถือตามอา ย, ยะนี้สางขยะก็เป็นของเกิดหลังทศกัณฐ์ถ้าจะถือตามอา ย, ยะกบิลดาเบิดเจ้าของเมืองกบิลพัตฒมาก่อนสางขยะจะเกิดก่อนทศกัณฐ์านานไกลหลายร้อยปีทีเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อยากไปจะที่ติชายว่าอะไรเป็นอะไรแนะ่คราวนี้ลทัทธินี้ทําไมถึงเร็วกว่าปกติวาทีหรือปกริตมนุษย์นี่ก็ประกรติปกรติคือปกติในมารีนั่นเองเพราะ ว, ว่าลทัทธินี้สอนลทัทธิทวิอิยมในทางปรชัชญาสอนทวิอิยมในทางปรัชญาทวิอิยมนั้นภาษาพจนิพนธ์ียกว่าเดวายตวดัดคือวาพทผิดกล่าวความจริงอันเป็อันตรมา้อยู่สองประการ ประการแรกเรียกว่าบุรุษะบุรุษะคือบุญหรืออาตมันนี่เป็นความจริงอันตรมะข้อแรกความจริงอันตรมะข้อที่สองเรียกว่าปกติหรือปกติต้องอันบุรุษะหรืออาตมันนั้นถ้าจะเทียบแล้วก็คล้ายกับเป็นฝ่ายนามธรรมส่วนปกติหรือปกตินั้นถ้าจะเทียบแล้วก็เป็นฝ่ายรูปธรรมคือฝ่ายอ่าวิญญาณฝ่ายหนึ่งฝ่ายวัตถุฝ่ายหนึ่ง ดิวสษษ์สัตว์พระพิฆางขยาสอนว่าสัตทั้งหลายปัตตวชีต ท, ทั้งปวงนั้นทุกๆคนต่างมีบุตรอันเป็นอมตะประจำตัวไม่เหมือนกันของใครกับของคนนั้นไม่เหมือนกันถ้าสมมติในโลกนี้มีคนเยอะสองพันล้านก็แปลว่ามีดิวส์สัตว์อาตมานันอยู่สองพันดวงด้วยกันของใครของมันไม่ได้เจ้ากายกัน อ, อาต ม, านมันนี่ปุริตะสองพันดวงนี้แหละเป็น อ, อมตะ ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งดิวไม่ดับไปเป็นธรรมะตัในตัวทีเดียวคือว่าลักษณะเขาเป็กะนั้นเป็นณพัทยเตมันก็เกิดขึ้น ว, วันณพัทยเตแปลว่าไม่ถูกอะไรผิดผุกพันธในตัวมันเองตัวมันเองเนี่ยแล้วก็เป็นคุณธรมบัตรการหนึ่งคุณธรรมบัตระการที่สองเรียกว่าณมุตจะเตไม่มีอะไรจะต้องหุดทนตัวมันเองแล้วก็คุณธรรมบัตรการที่สามเรียกว่าณสํมจริ ตัวมันเอก็ไม่มีอะไรจะ้องมามบินเวียนตุลุลละเนี่ยแต่เพาะว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทาไมวัตถสงสารอย่างมีกันมีสัตว์มาเวีนไหวตายเกิดเราข้อนี้รัที่สางขยะก็กล่าวว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเจ้าปุรุษะตัวนี้แหละมันไปเกิดความสัมพันธ์กับเจ้าปกกิจข้าเลยทําให้เกิดวัตถสงสารขึ้นโลกจตุมไทยที่ไม่ปรากฏอะไรจะเหตุให้มันไปสัมพันธ์กับเจ้าปกักกิจ นั่นก็คืออคติชาหรืออัญญาณยามเม่้เท่าตามเป็นจริงไปเกิดสัมพันธ์กับอ่าปกิริค้ายๆกับบุรุษไปแต่งงานกับหญิงสาวเลยเกิดความรับผิดชอบเป็นครอบครัวเกิดห้าว่าถูกวงวานสกุม ก, กันมาตั้งมามกมายใหญ่กองเพราะไอ้เจ้า บ, บุรุษนี่นไปสัมพันธ์กับเจ้าปิกิริปิกิริน่ะเป็นตัวผู้บาทเป็นตัวจังไรที่จะทําให้อาจา บ, บุรุษนี่หลงหลงห ล, ลงไปลืมงายไปลืมตัวเองตัวนตัวเองน่ะ เป็นณนพัิญาเตไม่ถืกอะไรสกพัญลืมตัวเองไปว่าตัวเองนะ่ะเป็นณมุจญาเตไม่มีอะไรจะต้องหนุนลืมตัวเองไปว่าตัวเองนะ่ะเป็นณสัมจริยไม่จะต้องไม่ไม่จะต้องมาเวียนไหวตายเกิดลืมไปเพราไปสัมพันธ์รูด้ดีปวกับเจ้าประคิดข้าวเลยเกิดการเวียนไหวตายเกิดขึ้นมาโลกตะวันตกไทยก็ปรากฏคามทุกข์ก็ปรากฏความวิ ก, การต่างๆก็ปรากฏตามหลังเป็นตับมาเลยทีเดียวอันนี้ก็กแสดงให้เห็นว่าอ่า การที่เจ้าพุรุษไปบวกกับเจ้าปิกิติทําให้เกิดโลกเพราะฉะนั้นละที่สางขยะยิงกล่าวทวิอุโยมวมันติอันติมะสองของตัวบุรุษะตัวหนึ่งปิกิตรตัวหนึ่งปิกิตนี้คือลูกประธรรมฝ่ายรูกประธรรมบุรุษะนี้ถ้าจะเกิดแล้วก็ฝ่ายนามมารำเพราะนามมาทำมาบวกลูกประธรรมนี่แหละโลกถี่เกิดความยุ่งยากความทุกข์ต่างๆถึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดบุรุษะรู้ตัวเองว่าความที่ตัวเป็นอมตมะ โบไม่ต้กเยี่ยนไหตายเกิดโดยไม่ตกมีอะไรที่ต้องมาหลุดพ้นความคิดคือไม่ไิดอะไรสุขันเมื่อรู้ตัวแค่นี้ลได้แล้วก็สามารถแยกตัวเองออกจากปกติในการที่บุรุษแยกตัวเองออกจากปกติได้และที่สามขยะเรียกว่าเป็นนิทานเป็ น, นิทานฝ่ายสามขยะได้เปรียบเทียบว่าบุริุะเหมือนกับบุูุษตาดีแต่ขาหักปกตินรือปกตินั้นเปรีนเหมือนกับคนตาบอดแต่ขาดี คนสองคนน่ะจะต้องอาศัยกันภูรักขิตนี้งจะเป็นไปได้คือคนตาบอดขาดีนั้นน่ะทําหน้าที่แบบคนตาดีขาหักแล้วอาศัยคนตาดีขาหักเป็นบ่าที่ทางให้ว่าเออเดินไปทโน้นเรียวมาทางนี้จะได้ไม่ปตกหูตดบ่อบรรลุถึงจุดที่หมายก็ายทางได้ทันใดไอ้เจ้ากูรุตกับเจ้าพระกฤษณนี่ก็เป็นอัญญมัญญาปัจจัยการอาศัยกันสูบพันกันนี้จะเป็นไปประกอบภูรักขิตทางโลกโลกก็ษมุทัยทิงจะปรากฏขึ้น เมื่อได้ไอ้เจ้าสองตัวนี้แยกกันโลกก็ดับความมุ่นยิงขอวัฏฏะก็ดับแต่ทั้งนั้นทางนี้ทั้งครั้งที่ไอ้เจ้กพิรุตะถูก็จะประกิตถูกพั้นอยู่นะไอ้เจ้กพิรุตะจะพลอยวิการไปตามประจิตก็หาใหม่เดวงมันเองก็คงคุณระสมบัติเป็นณัพติยเตณมุติยเตณสัมตรติคุณระสมบัติสาประการยังคงอยู่เรืยท่านอุปมาเหมือนว่าดวงไปไฟเป็นดุจแดงตัวเราเนี่ยเดินไปอยู่ ในใต้กระแสที่ายของแสงของไฟนั้นตัวเราก็ดูเปนหนึ่งว่าตัวเรานี่เป็นตัวแดงแต่ความจริงตัวเราไม่ได้แดงเลยนั่นก็ที่เราเห็นเป็นตัวเราแดงไปนะ่ะก็เพราะว่าเราไปยิงภายใต้ที่ใสของแสงไฟขณะนั้นตัวเราใช่ว่าจะแดงไปตามแสงไฟก็หาไม่หาก็าถูกวิธีอันนั้นน่ะถาเอาชั่วข่าวันใดตุ้งสะก็เหมือนกันแม้ในขณะที่ถูปกิติสถูันตัวมันอยู่ และมันจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าเห็นเวียนในวัฏสง ส, สารด้วตัวมันเองจะซอยวิการายก็หาใหม่ที่เราเห็นวิการว่าชาติหนึ่งเป็นคนชาติหนึ่งเป็นคุณมากชาติหนึ่งเป็นควายเห็นไปอย่างนั้นน่ะ น, นั่นเป็นเพียงแต่วิปรินามาทำคือวิสัยทุกปฏิที่ชาติถือเอาไปงอกองนั่นเองโดยเนื้อหาของมันอันเป็นแก่นเดิมแท้ๆนั้นตัวจุนสัตว์นี่แค่ซอยวิการไปตามนั้นเลยอันนี้เป็นละที่สามขยะเพราะฉะนั้น รัตสังขยะคึงกล่าวว่าเป็้งตอของโลกนั้นดีว่าประกฤติเป็นปกติปกติวาทีทีอประติเป็นใดญ่เบื้องตอของโลกนี่มาจากปกติถ้ากปกตินี่เป็นสมุทัยของโลกเป็นเป็้งตอของโลกอัน น, นี้นี่เป็นรัตตินียงคราวนี้นท่านพุทโฆสาสมุทสโธทีได้กล่าววิจารรัที่ปกติวาทในการเป ร, รียบทีกับหลักอริยปัตตาะหมายความว่าอย่างไร คือว่าในข้อนี้นะท่านพุทธโฆตะได้กล่าวว่าอริยสัจนั้นไม่ได้เป็นอย่างพวกปกติว่าหรือปกติจะเสมุตตบาทที่เราสอนกันน่ะไม่ได้เป็นอย่างลัที่ปกติว่าคือว่าพระพุทธโฆษะได้แสดงให้เราเห็นว่าลัทธิปกติว่านั้นเป็นพวกที่กล่าวว่าผลมีอยู่ไม่เตุนี่เป็นเป็นเป็นเป็นข้อความเป็นพิเศษนะครับคือกล่าวว่าผลมีู่ไม่เสด เรียกกันในภาษาสุสติเรียกว่าปัตตาการณาวาสพวกปตตกรณาวาสปัตตาการณาวาส ก, ก็แปลว่าพวกวาภาทที่กล่าวว่าผลอยู่แล้วในเหตุอาจารย์ฝ่ายสัขยะเห็นว่าผลน่ะได้ปรุงสำเร็จในเหตุแล้วจึงว่าเราต้องการน้ำมันละหุเราไม่สามารถจะไปเอาายมาขั้นมาผัวให้เป็นน้ำมันละหุนได้ แต่เราจะต้องไปขั้นมันจากเมล็ดกระหินฉันใดนั่นก็คือแสดงว่าในเมล็ดกระหินนั้นมีภาวะธรรมที่จะเป็นน้ํามันอยู่ในตัวของมันเองพร้อมแล้วเราไปขั้นไปขั้วน้ํามันกระหินจึงปรากฏออกมาได้นั่นก็คือแสดงว่าผลแต่มีอยู่แล้วในเหตุประการหนึ่งประการที่สองเราไม่สามารถที่จะไปถลุงหินให้กลายเป็นทองได้ แต่เราสามารถจะถลุ่มแร่ทองให้เป็นทองได้ฉันใดนั้นก็คือแสดงว่าอ่าผลจะต้องมีอยู่ในเหตุแล้วคือความเป็นทองจะต้องอยู่ในแร่ทองในตัวมันเองแล้วเราจึงสามารถจะถลุ่มแร่ทองให้กลายเป็นทองรูปรพัณฑ์ขึ้นมาได้อันนี้ประก า, ารหนึ่งอีกประการหนึ่งนมสดซึ่งแปลมาเป็นนมเปรี้ยว ถ้าหากว่าไม่แค่นมแล้วเราก็ไม่สามารถจะปรุงสิ่งใดๆเลยแต่กล้าจะมนมเปรี้ยวขึ้นมาได้นั่นก็คือแสดงว่าไในนมกดนั่นแหละมันมีภาวะธรรมทีท่ททจะแปลตัวเป็นนมเปรี้ยวได้ก็บอกใหเห็นชัดว่าผลคือมนมเปรี้ยวนั้นได้มีท่อมาอยู่ในเหตุคือนมสดเพราะฉะนั้นวัตถุสรารขยะจึิงถือว่าผลนำอยู่ในเหตุบริเวณท่อเลยทีดเดียวเนี่ยนีเป็นข้อใหญ่ใจความสมคำคัญในวัตถุสรารขยะ คราวนี้ท่านพุทธคุโหลาได้ข้างและที่สงังขยะอย่างไรคามจริงที่ได้นนข้างตรงๆนะครับคือว่าท่านกล่าวเปรียบเทียบกับหลักอริยสัจว่าหลักอริยสัจนั้นสมุทัยก็สูญจากทุกทุกเล่าก็สูญจากสมุทัยนะนิโรธก็สูญจากทั้งทุกทั้งสมุทัยทั้งทุกทั้งสมุทัยก็สูญจากนิโรธ มักก็เหมือนกันมักหน้าศูนย์จากนิโรธศูนย์จากทุกศูนย์จากสมุทยัยแม้ทุกสมุทัยกับ น, นิโรธก็ศูนย์จากมาักคืออริยสัตว์แต่ละองค์แต่ละองค์นั้นต่างศูนย์จากกันและกันทุกตัวไม่ใช่สมุทยัยสมุทัยก็ไม่ใช่ทุกนิโรธก็ไม่ใช่มกักมักก็ไม่ใช่นิโรธเราจะเอาสมุทัยไปยำกับทุกเอาทุกไปยำกับ น, นิโรธเอานิโรธไปยำกับมกักไม่ได้ต้องขีดขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นติในอริยสัตว์ท่านจึงแบ่งออกเป็นสี่ประการ ว่าพุกพุกอริยาศสตรนั่นเป็นปริญโยยกิจคือจะต้องกําหนดรู้อย่างเดียวจะไปทําอะไรมันไม่ได้นอกจากมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่ากําหนดรู้ความจริงตามเป็นจริงในภาวะของมันนี่เป็นปริญโยยกิจสมุทัยศาสตร์น่ะมีหน้าที่จะต้องปหาตับกิคือจะต้องตัดต้องละกันอย่างเดียวแต่ไปกำหนดรู้สมุทัยก็ไม่ได้หน้าที่ของเราจะต้องละสมุทัยอริยาสตร์ตัวนี้โทษนั่นอ่ะเป็นปฏิกาตับกิ คือมีหน้าที่จะต้องทำให้แจ้งให้รู้แจ้งเห็นสิ่ที่เข้าถึงอย่างเดียวจะไปกําหนดรู้เฉยเฉยก็ไม่ได้จะไปล่ามันก็ยิ่ไม่เข้าเรื่องใหญ่เนี่เรื่องโลดส่วนมากนั้นก็มีหน้าที่ประการเดียวคือเป็นทาเวตพกนิตต้องอดมือไม่มีขึ้นจะไปกำหนรู้ก็ไม่ได้จะไปล่าก็ไม่ถูกจะไปทําให้แจ้งก็ไม่เชิงอันนี้แหละติดในอริยสัตว์แดงแเป็นสี่แม้ในตัวอริยสัตเองก็ไม่กล้าตายที่กันเลยกันต่างก็เป็นภาวะในตัวมันเองเช่นนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาหรือธรรมินั้นไม่ได้ถืออย่างวัที่สังขยะหรือว่ตถิปกติวารีที่กล่าวว่าผลเป็นเหตุผลคือาะว่าอริยสัพนีถ้าจับเป็นเหตุกับผลนะทุกเป็นผลตะมิทัยเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุสองคู่ด้วยกันคู่แรกเป็นโลกตะสมิทัยคู่หลังเป็นโลกนิโรธคู่แรกน่ะถ้าใครเจริญให้มากก็เป็นโลกัะสมิทัยควาเกิดของโลกจบท่านฟูกันมาไอ้คู่หลังถ้าใครทําให้มากก็ดับของโลกก็มาทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถือตามวา่าภาพปกติวาทีทุกตัวมีในสมิทัยเลยสิทุกอาเลสสัตว์เนี่ยก็มีอยู่แล้วในสมุภัยอาเลสสัตว์เลยสิถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะเราจะมาแยกจิตในเวลาทําจิตในอปัตนาจะทําได้ยังไงจะไปกำหนดยังไงจะไปล่าไงถ้าล่าล่าหมดละทั้งทุกข์ล่าทั้งสมุทยัยถ้ากาหนดรู้ต้องกำหนดรู้หมดทั้งทุกข์ที่สมุทยัยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่วิสัยหรืออย่างในฝ่ายาโลกกนิโรธก็เหมือนกัน ถ้าถือย่างลัทธิมรรคตรีที่กล่ว า, กาวว่าผลอยู่ในเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วละก็นิโรดนิโรดเนี่ยเป็นผลมรรคเป็นเหตุก็นิโรดก็มีอยู่ในมรรคตรีถ้าอย่างนั้นเราจะเริญมมรรคอย่างหนึ่งทาไม่แก้งถึง น, นิโรดอย่างหนึ่งจะทําอย่างไรในมื่อตริที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่านพุทธโฆษาที่กล่าวว่าอ่าทุกไม่มีในสมุทัยแล้วก็ น, นิโรดนี่มีอยู่ในมรรค สมุทัยก็มีอยู่ในทุกแล้วก็มักก็ไม่มีและมีโลดต่างคนต่างเป็นคนละเรื่องกันไม่เหมือนอย่างนักปิติปฏิวัติที่กล่าวว่ามีผลตอบทั้งเหตุอยู่ด้วยกันไม่เหมือนอย่างนั้นหรืออย่างนั้นอ้าส่วนในข้อปฏิจจสมุประบาทที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบว่าก็เพราะเหตุท่านกล่าวว่าอวิชชาไว้เป็นข้อต้นแม้อวิชชานี้ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีเหตุ แต่เป็นต้นเหตุเดิมของโลกบุญเจ็บปกติของพวกปกติวาทีอย่างนั้นหรือนี่คือข้อกระทู้ที่ท่านพุทธคุาท่านถามท่านเองหมายความว่าอาวิชชาในปฏิจจสมุปบาทบาปนั้นน่ะเรานึกว่ามันสุดปิ้นกันแค่นั้นใช่ไหมต้นตอของโลกคืออวิชชาถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชชาจะเป็นเมืนเอนอ่งปกติของพวก ป, ก, ปกติวาทีไหมถามอย่างนั้นท่านแกถามเองก็ตอบเองว่ า, วาไม่เป็นหรอกไม่เป็น เพราะว่าอวิชายังมีเหตุอีกนะไม่ใช่ว่าสิ้นสุดแค่อวิชาเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะท่านกล่าวเหตุของอวิชาไว้ว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะจึงได้เกิดอวิชาขึ้นมานี่อาสวะอาสวะเป็นเหตุที่เกิดอวิชาขึ้นมาอวิชายังไม่ใช่เป็นต้นเดิมแท้ของโลกอย่างวาทะของพวกปกติที่สอนว่าปกติมุตติกิตนั้นเป็นวาทะต้นเดิมแท้ท่านพุทธคุโศกไขความว่ายังมีอาสวะอีกอาสวะเป็นต้นเหตุของอวิชา อาการไขความท่านในข้อนี้่ท่านเอาหลักฐานอะไรมาอ้างอีกในใ น, ในพระสูตรในบาลีนี่คือว่าในพระสูตรมัดชิมณิกายนะฮะในพระสูบาลีมัดชิมณิกรานี่มีอยู่ข้อควา ม, ม, อ, ย อ, มอยู่อันหนึ่งในมู ร, ประปนานสัมมาพิสิทิสูตรเป็นภาษาลิบุตรแสดงไว้ดีท่านแสดงว่าอาสวะสมุติยาอาวิชาสมุตโยาอาสวะนิโรธาอาวิชานิโรโทรนี่เพราะอาสวะเกิดอวิชาจึงเกิด และเพราะอาสวะดับอวิชชาจิงดับเพราะฉะนั้นการที่ท่นานคุตตคูตะพูดอย่างนั้นน่ะมันจะทาผิดเอาเองตามอาเภอใจทำมีหลักฐานคือท่านอย่างนอ้นอยท่านก็ยกคําพูดคุณพระสารีบุตรมากล่าวคําพูดคุณพระสารีบุตรในสัมมาทิฏฐิสูตรในบาลีไม่ใชิม่ในกายมมรปานาันณาเอามากล่าวไว้นั่นก็คืออาสวะนี้แหละเป็นปัใจจัยให้เกิดอวิชชาอาวิชชาจิตว่าจะเป็นต้นเดิมแท้ของโลกอย่างพวกวัตถิรือปกติวาที สอนแรบปกตินั้นเป็นต้นเดินแท้ของโลกอาสวะนี่เป็นเหตุเกิดถ้าละล่ำถามไปว่าท่านนั้นอาสวะมาจากอะไรอาสวะก็มาจากวิชัยวนเยียงกันเพราะว่ามัตติในพุทธศาสนานั้นน่ะไม่สอนให้ไปหาต้นตอของโลกภายนอกแต่สอนสาวมาหาต้นตอของทุกเพราะนั้นรูกการในพิสดารจึงแสดงออกมาในรูปของปฏิจจสมุ ป, ปบาทไม่ได้นไปซึ่งกับไปทะเลาะอันนี้เป็นหลักสำคัญในพุทธมตติที่แตกต่างกับศาสนานและปรัชญาอื่น คือว่าศาสนาและปรัชญาอื่นนั้นมักจะตอบปัญหาเรื่องว่าโลกมาจากไหนแล้วจะไปไหนชีวิตมาอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาในซึ่งพวกปรัชญาเมตีกับพวกนักศาสนาในละดับอืน่นเขามักจะขบกันเพราะฉะนั้นเมื่อการขบปัญหาเช่นนี้ก็ออกมาเป็นสามแนวด้วยกันแนวแรกออกมาเป็นฝ่ายเทวะนิยมสอนว่ามีพระเจ้าสร้างโลกนิตสัยรูปมีพระเจ้านะีน่แนวหนึ่ง แนวที่สองก็ออกมาในแนวว่าไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกหรอกตัวเราเราสร้างโลกขึ้นมาตัวเรานี่เป็โลกคือรัฐที่อาตามันเป็นรัฐที่ถึงอาตามันมีตนเป็นสําคัญถ้าตนดับโลกก็ดับตอนอยู่โลกก็อยู่นี่รัฐที่หนึ่งเอรถถัฐที่หนึ่งก็สอนว่าวัตถุไม่มีเกี่ยวกับวิญ ญ, ญาณเลยวัตถุล้วนเกิดขึ้นวัตถุล้วนตั้งอยู่วัตถุล้วนดับไปเ ป, เป็นฝ่ายไมเซียลิซมเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามแขนงเดียกันส่วนพุทธมติขั้นไปเป็นอย่างสามพวกนี้เพราะอะไร พระพรุทธเจ้าฉันรู้เท่าตามความเป็นจริงว่าถ้าไปสอนตามพระภิกษุพวกนี้นะ่ะอย่างมากก็เป็นการเพิ่มมาถ่ายมาฆะใน ส, สําหรับเลาะกับพวกศาสนาเหล่านี้เขาทะเลาะมากพอแล้วบางลัทธิก็บอกว่าพระเจ้าข อ, อง่านองค์นี้สร้างบางลัทธิบอกพระเจ้าองเ์นู้นสร้างนักข้าจะต้องให้พระเจ้าตอบพระเจ้าของแต่ละศาสนามาวิง่งฉันเปรียบแข่งหน้าเป็ น, ๆๆ น, ป น, น, ท, นทั้งนแห่งฉันเปียบหนึ่งสร้างหนึ่ก็มั่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างว่ยอมแล้วว่าพระเจ้าอีสาศาสนาหนึ่งสร้างโลกนี้บางฝ่ายตามบอกพระเจ้าอีสศาสนาหนึ่งเก้พระเจ้าของข้าจริง แล้วและไอ้รัตที่สิสพระเจ้าสร้างโลกที่เมื่อกเสียห้องเต้่าเออพรามว่าอกศวนนาลายทมสร้างแล้วอิศวนนาายทมทำมัจะุงลอยกันยัะกันอีกพวกลัตที่สิงวยก็กอสร้างทมสรางนาลายพวกรัที่อิวนเวยไม่ฟงวิศนุตะหสร้างอิาของแกสร้างพระทมด้วยอ่าพวกลัตที่พรมเวทก็บอกว่าทั้งวิศนุทั้งนาลายและทมทั่งสร้างพรามเองยแต่คอกันอย่างนี้เลยแล้วใครจะมาวินิฉัยว่าพระเจ้าองค์ไหนแท่ไนส่ร้างโลกแท้กันนครมาวิิัย ตัวนอกจับมาัลารุกจิตสุขเจ้าเหล่านั้นเองอ่ะมาเป็นผู้พูดเอาเข้าขัาขงตัวเองว่าขอ ง, งท่านมหาสร้างของแกน่ะไม่ได้ฟังถ้ายางนี้แลจะต่างอะไรกับคนที่กลา่าวาว่าบอกว่าน้ําตาลบ้านฉันหวานบ้านน้ําตาลบ้านแกเค็มจ ะ, จะต่างจะตกต่างอะไรไม่ได้น้ําตาลบ้านอ่นเค็มขึมม้นมานน้ำตาลบ้านฉน่าหวานบ้านเดียวท่านทั้งหลายถ้าเราฟังการสอนอย่างนี้อ่ะเราจะเงินไหมแล้วถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไปตืสอนอย่างเขาไปอีกท่านหนึ่งขึ้นมาจะกลายเป็นการเพิ่มคะแนนทะเลาะกันกับพวกนี้ไหมทะเลาะกันแน่ทีเดียว ขัดอกขัดใจกันแน่เป็นการเพิ่มพิษถือเป็นการเพิ่มข้อทะเลาะวิวาทอันอันเป็นกิเลสของเจ้าลัทธิอันเป็นกิเลสผู้สาวสดาเกิดขึ้นเป็นแน่แน่ทีเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ตัดไปเสีย้ยใครมาถามบอกว่าโลกมาแต่ไหน่มต้นต่อมาอย่างไรพระองค์ถือว่าเป็นอัพยากะตะปัญหาคือเป็นปัญหาที่รู้ไปแล้วก็มีแต่จะชวนทะเลาะ ก, กันชวนในหึงงานชวนในึงไปชวนในเกิดพิษถิดมาหน้าว่าของข้าผูกคนอื่นผิด การเพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์ม่นจะรูทเจ้า ไ, ไม่รู้ลูกว่าโลกมาจากไหนต่งต่อมาอย่างไรลูกแต่ไม่แสดงไม่แสดงไม่ใช่ไม่รู้ข้อนี้น่ะในสังยุตติกายตรงเปรียบเอาใบกระดูกกำในพระหัตแล้วก็ถามพิสุทั้งหลายว่าดูกองพิสุทั้งหลายใบกระดูกในมือตะขาคตกับใบกระดูกในป่าน่ะอันไหนจะมากกว่ากันที่ประชุมก็ปู่บอกว่าใบกระดูกในปาน่ามากกว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะพิสุทธิ์ทั้งหลาย แต่งสถานคดรู้แจ้งฮีแต่ไม่ได้นามาเปิดเผยไม่ได้นามาบรรดาลไม่ได้นามาแสดงกผู้อื่น่ะมีมากนะเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นเรื่องต้นของธรมจัน์ไม่เป็นให้เหตุให้เดือหน่ายคลายกาหนัดไม่เป็นเหตุให้เกิดความขามเียในการปฏิบัติทำเพื่ความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิโรธปหาข้อติสอนแต่สิ่งที่สถารคดจะห้มอนแกเธอก็คือว่าทุกเหตุเกิดทองทุกความดับทุก และปฏิปทาไปสู่ความดับทุกข์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอริยสัจสีนี้เป็น ม, ออมุ่งส่งคุ้งทองมาจันเป็นเหตุให้เกิดความเหนื่อหน่ายคายความกำหนัดยีนดีในทบเป็นเหตุให้เกิดอิรูธความดับทุกข์ในที่สุด น, นี่เป็นตัวแสดงอันนี้ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ใดมาตั้งปัญหาเหล่านี้ถามพระองค์พระองค์ก็ยกปัญหาเสียวิธีการตอบปัญหาของพระพิภีเจ้าท่านจึงแบ่งออกเป็นว่าสี่วิธีด้วยกันคือว่าวิธีแรกใช้พจนวารี เล่าจำแนงจำแนงึ้าใครมาถามคุณถามพระองค์ว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดไหมอย่างนี้จะไปตอบดีจะตายท้าเดียวไม่ได้บ้องใช้วิชั้นชัพยากรณคือว่าคนที่มีคิเลย์ตายแล้วก็ต้องเกิดี่แต่คนที่มีคิเลตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอย่างนี้ตอบดยจําแนงดีพัชวาปีประการหนึ่งประการหนึ่งถ้าใครมาคูลถามพระองค์ว่าภาหารตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือไม่ถ้าปัญหาในรูปนี้พระองค์ก็ตัดฐานออกไปเลยไม่เกิด นี่ว่าเอจังปากพยากรณรตอบตอบยิงกระต่ายขาเดียวไม่เกิดอีกแล้วฟาดหันตาแล้วไปตรงไม่ต้องมีการเกิดอีกแล้วหรือมาถามว่าถามว่าคนายเกิดแล้วต้องตายไหมยอย่างนี้ก็ต้องตอบ ว, ว่าต้อตายเป็นเอจังปากพยากรณ์บุษบาทยิงกระตายขาเดียวเด็ดขาเขาต้องตายนี่เป็นวิธีือตอบปัญหาประการที่สองประการที่สามอ่าเรียกว่าปักเป็นคามพยากรณย้อนถามเอาเอาคําถามคือคนถามเมนียย้อนมันเขย้อนมันเขัาไปนี่ อย่างทีขันธ์ประริพายชกปรริพาชกสิกงเป็นญาติงภาษาอินเดไว้เล็บยาวผมยาวไปข้าวพระเจ้าที่ทำถุงกราคาตาหรือทำหมูขุดทมูขุดถีงระคาตารี ว, ว่าทำมูขุดไปข้าวพระเจ้าสแสดงรัฐที่ถุงตัวว่าดูก่อนพระสมณะโคโดมว่าพระองค์กจไปนั้นเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สึงคุณแต่พระเจ้ า, าหมด แล้วิธีเจ้าก็ตอบกลับโดยใช้วิธีปฏิปุจฉาพยากรอ้าวีแล้วนี่นะทันยังในวาระที่จเห็นว่าิธีถึงมีกงคู่ในแกก็พอมีถึงคู่ในแกด้วยแลสิอ้าวแต่โมที่ถึงในโลกนั้นมีถึคู่ในแกเนี่ยมันจะไม่ในวาระที่แจงเองถึงอยู่ก็มีถึงคู่ในแกเหมือนกันพราะมันเป็งหนึ่งในโลกเหมนกันในาะในโลกอังหนึ่เหมือนกันอย่างนี้ดกว่าปฏิปุจฉาพยากรดว่าวิธีตอวิธีตอบกลับนี่อัหนึ่งวิธีสุดท้ายไม่ตอบโลกเลยปัญหาอันี้ไม่หลกเป็นัพยาะว่าเป ไม่ตอบตอบไปแล้วชวนทะเลาะตอบไปแล้วเกิดที่ผิดมานะอ น, นี้ก็คงเลิกไม่ตอบขึ้นมาเป็นสิ่งประการในกันในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อประชาชนและสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยขั้งกระโนนเพราะฉะนั้นเโลกจะมีไทยในความหมายของคุตมติไม่ใช่เอโกเสโลเพราะฉะนั้นประเด็นพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้สอนเลยพระเจ้าสั่งโลกหรือวันนี้อาตมันวันนี้ที่สั่งโลกไม่ได้สอนอย่างนั้นประเด็นของพระพุทธศาสนาตั้งต้งงงงนอยที่ว่ะ ทำอย่างไรที่จะจัดการกับความทุกข์นี้อยู่ให้หมดไปอันนี้เลยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นต้งตอของโลกในที่ปาสนายังเป็นโลกของกิเลสโลกอันประกอบด้วยร่างกายการคิดิจใจของเรานี่แหละไม่ใช่โลกภายนอกโลกวัตถุไม่ใช่โลกทีนี่เพราะว่าความรู้ทางโลกกับวัตถุนั้นรู้เท่าไรมัรจบตามเท่าไรก็ตามมันไม่ถึงแต่ไอ้โลกภายในคือไอ้ชีวิตแต่ละดวงแต่ละดวงซึ่งเป็นโลกโลกหนึ่งนี่แหละมันรู้จกที่ไหนในเทวตาสัรุษ จึงได้มีข้อเล่าถึงมูทิตาสเทระบุตรมาบ่าวพระองค์แล้วก็คุณเล่าว่าในอดีตชาติลูทิตาสเทรบุตรนั้นเกิดเป็นฤาษีพยายามที่จะไปถึงที่สุดของโลกด้วยการไปที่ปิฏกบาลนี่และด้วยการไปทั้งทั้งที่ลูทิตาสเทรบุตรฤาีในชาติก่อนนั้นเป็นผู้มีอคติยามีฤทธิ์เหาะไปได้ดยดโง่มากแต่ถึงกระนั้นทีฤทธิ์ทั้งทีฤทของเขาในาตัเทระบุตรในชาติกัะน้ ก็ตายไปในท่ามกลางยังไปไม่ถึงที่สุดของโลกเลยว่าที่สุดของตะ ก, กาวาจะเป็นซึ่งจะอยู่ตรงไหนไปไม่ถึงรถขัด<ส>ทะเลาะกันน่ะม<ส>ีกามมีการเป็น ม, มู ล, แ, มะละแย่งตามกันหัดทะเลาะกันเพราะแย่งตามกันเป็นมูลเรื่องพวกขมณฑารามเจ้าลที่ทะเลาะ ก, กันน่ะเพราะมูลพิษถิเป็นมูลความเห็นมานแต่กันมันขัดแย้งกันทางความเห็นถึงทะเลาะเบาแรงกันเรื่องขัดขัดน้าที่ทะเลาะไม่ว่ากันนะเพราะแย่งตามกันแย่งจะเป็นเจ้าของการมาคุณกันเนี่ย เราจะพามอารามมอย่างฮู้ปาานนีนมหถาโคตนั้นไม่ต้องทะเลาะเข้าแล้วพราะคนแรกจากทั้งสามจากทีก่ผิดเหล่านี้ไหวพร้อมคนแรกก็เลยมือทะเอาเข้าแล้นี่ที่ทางรับไปถึงความพ้นผูเก่งที่สุดเลยเพราะเหตุนั้นเมื่อกจ้าถึงณที่ปกติวา่าทีพระองค์เนี่ยถึงได้แสดงว่าอ่หอ า, าหลักของอวิชานีหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นอ่ะมันหมุนเวียนมันเป็นมันมันอาสวะเล่าก็เป็นเหตุเป็นสมุทัยเกิดอวิชาอาวิชาเล่าก็เป็นสมุทัยเกิดอาสวะ แล้วก็ในอาสวะนั้นนะ่ะความจริงก็มีอวิชชาสวะอยู่ด้วยหนึ่งในอาสวะอยู่ในนั้นนะ่ะมีมีการมาสวะทิฏฐาสวะแล้วก็มีอวิชชาสวะอยู่ในนั้นด้วยเช่นี้อยู่ในนั้นด้วยอันนี้แหละเจะแสดะให้เห็นว่าหลักมะติจัตมุตบาทนั้นนะ่ะเป็นหลกักของชีวิตโดยแท้ในการดับดับทุกทั้งจะไปดับทุกทุ้อย่างใภายนอกซึ่งมันเป็นเหตุให้ดับทุกได้แท่ขัน้นทุกขโทสักรไม่ได้เอาเรื่องมะติว่าผลมีในเหตุโดยตรง ไปมีในมคำพูดศธธาสนาฝ่ายมหายานซึ่งข้ารับฟัง ข, ขยะอย่างละเอียดถี่ที่เดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็นี้จะเป็นด้วยว่าในทางรังกานั้นไม่สูกจะมีพวกพญระักติเข้าไปตั้งมัน่นเจริญแท้หลายมากนะักบรรดาพระอาจารย์ที่แต่งสะกอนต่างๆในรังกาจึงไม่ต้องเสียสำหรับตำราที่จะขัดแย้งกับมัสิดเหล่านั้นที่เป็นการซักบอกมัสิเหล่านั้นวนฝ่ายมหายานั้นอยู่บนแผ่นดินใหญ่ที่ละอินเดีย แวดล้อมไปดูดพวกหมูลัทธิปรัชยามากหลายมีการถือสำหรับตำราขัดขืนกันในทางความเห็นอาจารย์ฝ่ายมหายาณจึงจําเป็นต้องต่อต้านมติเหล่านี้โดยยืนยันหลักพุทธมติไม่ที่นี้ก็จะนําข้อคิดของอาจารย์มาคารินตึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายมหายาณเนี่ยยง่งหที่สังขยะไว้และทู้สังขยะกล่าวว่าผลอยู่ในเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วปรตรีปรตรีที่เป็นเทพมารดา ก็จะต้องมีลูก อ, อยู่ในคันสอ่อนี่สมรสกับดุรุษสิอ้าวลูกนะ่ะเป็นผลของตัวแม่ใช่ไหมเป็นผลาาออกมาจากข้อมาจากท้องแม่ถ้าากว่าอาจารย์ละที่สามขยาถึงว่าผลมีอยู่แล้วอยู่ในเหตุแล้วก็ทีอยิที่คนยังอยู่ในท้องเตียมไวก่อนแล้วเตรียมไวก่อนแล้วกัวคนนี้ไเห็นยังไม่ต้องแต่งงานหรอกมีลูกเล็กๆอยู่ในท้องเตรมไวก่อนแล้วถึงเวลารอเวลาอ่ามีผัวแล้วก็ลูกก็ผูกขาดหอกมาทานเองก็หมดกเราไปแล้วอยู่ในเหตุที่นะหรืออาาลที่สาขยาว่าอย่างนั้นี่ อีกประการหนึ่งอ่าอีกประการหนึ่งถ้าเห็นว่าพน้นอยู่ในเหตุโดยอ้างว่าเืยอเสือเหยี่ยนเสือจำทบมูลที่เราที่อรใช้ทุกวันนี้น่ะเราไม่สามารถจะทําเสือจำทะบูลได้จากวัตถุอืน่นนอกจากต้นหญ้าต้นหญ้านั่นก็คือว่าเสื อ, อนะั้นมีอในต้นหาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขุดว่ามาธรรมรามองไปเห็นตัวเสือละ่ะมองไปเห็นหัวเสือละถ้าพน้นอยู่ในเหตุแ ล, แล้วและก็ อาจารย์ฝ่ายสังก aya ก็แก่ว่ะอ้าวไอ้ที่ว่าไม่อยู่ในเหตุนะไหมความว่าไอ้ภาวะทุ ข, ขุมไม่ใช่ภาวะหยาบภาวะอยากนั้นเป็นถึงเสือเห็นนล่ะกว่าเป็นนีู่เป็นภาวะหยาบแต่ว่าไอ้ต้นหญ้านี่นะถ้าต้นหญ้าไม่มีฐานะที่จะมาเป็นฐานเด็นเสื่อได้แล้วก็เราจะเอาต้นหญ้ามาทําอย่างไรอย่างไรมนันก็ไม่ทําให้เกิดเป็นถึงเสื่อขึ้นมาได้นั่นก็คือแสดงว่าความเป็นเสือกวามเป็นถึงเสือนั้น่ะ มันซ่อนอยู่ในตาวะยากแต่ว่าซ่อนอยู่ในภาวะสุขมุมแต่หวางนี้หาทางออกหวังนี้ซ่อนอยู่ในภาวะสุขมุมยังไม่ทันที่จะออกมาเป็นภาวะหยาบเมื่อได้มันออกมันเป็นภาวะหยาบแล้วก็มองเห็นบนผืนเสือบทั้งถืนใช้นอนใครนั่งได้อาจารย์นางคาร์ทูก็คานบอกเลยคุณคถ้าท่านถืออย่างนั้นภาวะหยาบก็ไม่ใช่เป็นผลนรอกสิเพราะว่าเกิดมีสองอันขึ้นมาแล้วคือภาวะสุขุมอันหนึ่งซ่อนอยู่ในต้นยา ท่าว่ายาพันหนึ่งคือผุนเสืออยู่ภายนอกเสียถ้าอย่างนั้นนักที่ของท่านก็เป็นอะไรยอมรับยอมรับว่าผลบางอย่างนี่อยู่ในเหตุผลบางอย่างไม่มีอยู่ในเหตุนะสิพอเหยนมาที่ตรงนี้อาจารย์พระยะหนีเหยียดแพ้เขาแล้วนี่ขึ้นตัวตัวที่แรกแกบอกว่าอ่าผลนีอยู่ในเหตุแล้วภายแล้วมาออกบอกผลนี่สองอย่างอย่างหยาบอย่างหนึ่งอย่างละเอียดอย่างหนึ่ง็ยังละเอียดมันซ่อนอยู่ในเหตุไอ้อย่างหยาบน่ะออกมาจากเหตุและสิ่งปรากฏ ไปพุมาตริก็แยกงบอถ้าอย่างนั้นนายก็ยอมรับว่าผลบางอย่างมีผลบางอย่างไม่มีวาทะท่านก็ไม่ใช่อันติมาแล้วเพราะยอมแล้วกา่างบางอย่างท่บางอย่างไม่เท่านี่นี่อาจารย์มาคาชุนขานพระที่สังขยะที่ถือว่บผลอยู่ในเหตุอย่างนี้แต่ในกรณีที่ว่าน้ำมันละหุ่นมีอในผลละหุ่ไม่มีในต้นหินจริงพุทสมาตริก็ไม่เหียงว่าน้ำมันละหุ่มมีในผลละหุ่แต่อย่าลืมนะว่าไอ้ผลละหุ่ี่จะเป็นผลละหุ่ขึ้นมาได้นะ่ะ แล้วมันจะมีน้ำมันระดิ่งขึ้นมาได้น่ะมันต้องอาศัยอินโร์นิยมอาศัยอาหารนิยมอาศัยทีชนิยมช่วยตามมันถึงจะสามารถแปรรูปดูงแต่งปัจจัยในตัวมันเองอ่ะกลายเป็นน้ำมันขึ้นมานั้นก็คือแสดงว่าผลอันใดที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านการจับจูงโดยอาศัยทีเชนิยมอุปโนิยมอาหารนิยมในตัวมันเองผลอันนั้นไม่ใช่เป็นผลโดยสมบูรณ์ แต่มันค่อยๆเปลีนแปลงตัวมาเป็นลําดับําดับอย่างนมสดแปลเป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแปลเป็นนมข้นนมข้นแปลเป็นอ่าเลยแปลเป็นขึ้นมาเป็นลําดับท่านแต่พังเป็นยอดของเนยขึ้นมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่ตัวมันเองมันช่ว่มีขนอยู่บนนมแล้วมันแปลมาเมื่อเนยกลายเปต้นด้าเนี่ยเรากล่าวไม่ได้ว่าเือเป็นต้นด้าแล้วก็กล่าวไม่ได้ว่าต้นดาเป็นเนยกล่าวไม่ได้แต่เพราะเหตุที่ว่าอาศัยเสือาศัยเนยเนี่ย เวลาก็อาศัยต้นยญาอาศัยต้นญ้าตักแลวต้องอาศัยแรงคนอ า, อาศัยแสงแดดมาตากอาศัยแรงคนมาฝานอาศัยน้ำ ม, มาทำให้มันอ่อนนุ่มเออตั้งหลายอย่างว่าจะไมนถึงเปลือได้เพราะฉะนั้นสฤาทีสารคยะถึงว่านอยูลในเหตุนั้นดึเลยงที่มาติดพ่ขงของคัด้านนี่เป็นฤาษีตะกิดวาจีมีมมยะวาอย่างนี้คราวนี้าษีหนึ่งเรียกว่ามาวายาวาจีวาวาทาที่สอง สมวายะแปลว่ารวมกันเข้าไว้สมมวายะนี่แปลว่ารวมกันเข้าไว้ลัิที่กล่าวด้วยรวมกันเข้าไว้คือรัที่อะไรคือรัฐทวายเสติกะอันตป็นหนึ่งในทัศนะติดประการของปรัชญาพราหมณ์หนึ่งสังขยะสองวายเสติกะสามนัยายะสีโะ่โยคห้ า, ามีมังสาหกเวดานตาะหกรัที่เดีวยกันดูว่าสัพพทัศนะแปลว่า ทักษณะหกประการนักที่หกประการนักที่ัยเสือศที่เป็นต้นนทัที่ชื่อว่ากันนาธมุนีหรือกอีกอย่างหนึ่งว่าโอรุกะไมูมีกันนาธมุนีผู้นี้แหละตามประวัติก็ไปแจ่นชัดเหมือนกัลเรบุนีอีกคือตามประวัติเล่าว่ากันนาธมุนีนั่นน่ะเป็นผู้ชอบดูคนตัวคนนะักไม่อยากเสี่งเสี่ยวกับสังคมกระงวันก็อยู่ในป่ากลคืนก็ เที่ยวคลานตามท้องไร่ท้องน า, าเก็บมเมล็ดข้าวโพดจริงจันทบุรีชอบกินข้าโพดที่นั่นมีไร่ข้าวโพดเดยอะแต่ก็ไป อ, อยู่ทถวๆนั้นป้าไปคนเห็นนะไป อ, อยู่ข้างในป่าพอกลางคืนชาวบ้านเขหลับนอนแล้วจันทบุนีก็ครานเก็บมเมล็ขดข้าวโพดตามไร่ข้าโพดจริงเพราะเหตุนั้นชาวบ้านก็เรียกว่าจันทบุนีเรียกโอมกา ร, การกาุสรีโอมารุสีผู้พิชิตศรัทธาความจริงว่าความจริงในโลกนี้น่ะมีอี6ประการด้วยกัน หกข้อเรียกว่ามาจากคาว่าปัทภะบุอัฏฐะปัทะบุอัฏฐะเท่ากับปัทธรัฐนะไอ้เจ้าปัทธรัฐนี่น่ะคืออะไรแบ่ ง, งเป็นหกประการหนึ่งเรียกว่า ด, ดาวยะปัทธรัฐเดวยะนั้นน่ะทะเลกันอย่างไทยไทยเขาเรีกว่าซับซับนี่แปลว่าที่เรามาใช้กัญชายถึงซับถึงเงินหนี่แหละมันก็คือว่าเดาวยะเดวยะปัทธรัฐนั้น มีอะไรบ้างมีดินน้ําไฟลมอากาศกาลเทศะอัตามันแล้วก็มนัชดินน้ําไฟลมสี่ประการนี้คือมหาภูติรูปทั้งสีเป็นอนิจจะปัฏารถะคือเป็นปัฏารถะที่ละเอีเ่ยงแท้ส่วนอากาศหนึ่งกาละหนึ่งเทศะหนึ่งอาตามันหนึ่งมนัชคือใจหนึ่งห้าประการนี้เป็นนิจจะปัฏารถะเป็นนิจจะปัฏารถะคือเป็นของ ขแท้ของเที่งข้อสองเรียกว่าคุณะปัทาราคาก็ได้แต่รูปรถตุ้งเสียงสัมผัสสุกทุภ์เรียกว่าคุณะปัทธราคาข้อสามเรียกว่ากรรมะปัทาราคาได้แต่จิริยาต่างๆมียืนเดินนั่งนอนพูดจาไหวตึงเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่ากรรมะปัทธราคาอันที่สี่เรียกว่าสามัญยะปัทาราคา ได้แต่ภาวะอันแค่ซึ่งมีอยู่ในในในดาวยะหรือในทรัพย์เช่นภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในบุรุษกระสตรีภาวะอันนี้เป็นภาวะที่ร่วมกันหรือภาวะของหมาซึ่งมีอยู่ในทั้งหมาตัวผู้หมาตัวเมียหรือหมาฝรั่งหมาไทยไอภาวะอันนี้เรียกว่าสามานยะสามานยะคือภาวะที่มีอยู่ในร่วมกันในสิ่งที่แตกต่างกันอเช่นว่าภาวะความเป็นคนก็มีอยู่ในนางกอนายนายขอเนี่ย ถึงแม่นานกงกอกัะนายขอหน้าตาจะไม่เหมือนกันอุปณิชย์จะแตกต่างกันอ้วนผอมแตกต่างกันผิวพรรณดําขาวไม่เหมือนกันก็จริงแต่เพราะว่าภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ร่วมกันอันนี้ทัพที่ไวเซติยก ว, ว่าสามานายะสามานายะประธารธาแล้วก็ขอ้อห้พิเศษปรธารธะพิเศษปรารธะก็ได้แต่ภาวะสิ่งประจำอยู่ในสิ่งต่างๆอันผิดแปลกจากกันเช่นว่าอาตามันก็ย่อมต่างจากประมาณุของมหาพุทธรูปอันนี้เป็นต้น อันที่หกสมมวายะปทารธาอันนี้แหละเลียกมาเรียกทา่านพุทธโฆตมะเรียกว่าสมมวายาวาจีสมมวายะปธารธาได้แก่ภาวะความสัมพันธ์รวมตัวกันทําให้เกิดปรากฏการขึ้นคือว่ารัตติไวยสิทธิ์หรือสมมวายาวาจีสอนบอกว่าปรมาณูนั่นเป็นของจริงเป็นอสังขตะปรมาณูไม่มีอะไรที่จะมาสลายปรมาณูได้นี่เป็นความจริงกับเป็นรัตวิทยาศาสตร์นะสมัยก่อนเทีก ตอนที่โลกจะค้นพบสื่อพลังงานก่อนที่ไอน์สไต์จะค้นพบสื่อพลังงานเนี่ยนี่แหะวิทยาศาสตร์สมัยเก่าเชื่อกันว่าปรมาณัยเนี่ยเป็นอนุมภะแล้วเมื่พอพรสิ่งงต่างๆนี่เป็นธาตุพร ส, สามนี่เป็นธาตุพรธาตุก็เรีงเป็นอนุอนุพรลงเป็นปรมาณูแล้วก็มักจะถือว่าปรมาณัยนี่เป็นอนุมะแล้วแล้วนักวิทยาศาสาศาตร์ตะวันตกมาดูใจนักหนาควันปินะในประเทศอินเดียเขารู้กันมาตั้งพันๆปีแล้วเรื่องเรื่องพร ออสส ท, ทอนสสารลงเป็นธาตุทอนธาตุลงเป็นอนุทอนอ น, นุลงเป็นประมาณูแล้วก็นับขึ้นวัยเฉลี่ยเนี่เขาแสมาเป็นพันๆสิ้นแล้วเขากล่าวว่าโลกกับวัตถุหรือมหาพิสุรุปอันเป็เคลื่อนดึงแต่ให้เกิดโล ก, กขึ้นนั้นมาจากประมาณูตั้งแต่หนึ่ตัวขึ้นไปมาบวกกันเข้าประมาณูหนึ่งตัวขึ้นไปกับประมาณูอีกตัวหนึ่งมาบวกกันเข้าและประมาณูหลายๆประมาณูนับไม่ถ้วนประมาณู มาผสมกันเกิดความสัมพันธ์กันข้าวมหาพุทสรูปจึงปรากฏเพราะฉะนั้นการรวมตัวของประมาณูทำให้เกิดโรคนี่แหละเรียกว่าสมมาวายะสมมวายะแปการรวมตัวถามว่ารวมตัวอะไรตอบว่าการรวมตัวของประมาณูการรวมตัวของประมาณูนักปิไวเสติถิขว่าประมาณูเป็นอสังกต์เราไม่สามารถาแบ่งประมาณูให้เล็กลงมาอีกแล้วไวเสุด ข, ขิสออย่างนั้นสิ่งตรงกับยาศาสตร์สมัยเก่าสอนกัน ประมาณุเป็นอันตรนะมะคราวนี้นขันทิตโครูตะฆานทําไมฆาสมวายายวาทีทําไมคือ้านว่าแม้ประมาณุนั้นก็บม่จช่ตรมะไม่ใช้อสังกตะไม่ใช่มิธานประมาณูนั้นยังสลายตัวได้ยังสลายตัวได้ในข้อนี้ท่านกล่าวว่านิภานัสสะเสวะอนุอารินำตินิจพาวัปตีติเจหน้าเหตุปูโอะอาวาได้ว่า อาจะถามว่าถ้าจะนั่นนิทานต่ถึงสู่ความเป็นของเที่ยงอย่างเดียวกันกับอนุเป็นต้นนิไท่หรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะนิทานไม่มีเหตุที่เกิดขึ้นอย่าทั้งใจอย่างนั้นอ่าคําว่าอนุกับคำว่าประมาณูเนี่ยท่านพุทธโคตะท่านเรียกบนกันคือคําว่าประมาณูนั้นท่านพุทธโคตะไม่เรียบท่านเรียบเป็นอนุความจริงเป็นประมาณูครับ เพราะเหตุใ น, นี้ถึงเป็นอนูในทีมัต ก, ก็ไม่ทราบที่ท่านความจริงท่านอายจะเรียกเป็นปรมาณูเพราะท่านเองก็เคยเป็นฟามาก่อนแล้วก็อยู่อินเดียมานมนานนักหนาแล้วท่านก็เป็นชาวอินเดียน่าจะเข้าใจคํานี้แต่ท่านก็ไม่ยากเารียกถ้าหลีกคำอนูเฉยบางทีคํานี้จะใช้แทนคาว่าปรมาโูในรัทติวัยเสดสิกะ ก, ะกำมังแต่ว่าในรัติวัยเสดสิกะนั้ น, นเขาเรียก ป, ปรมาโูซึ่งยอดไปจากอนุไปอีกท่านพุทธโฆษาอธิบายว่ า, านิพานไม่ใช่เครื่องยังรัติแต่ไม่วายวารีนะ ก็าถือว่าอ น, น, นุคือปรมาณูเป็นของเที่ยงนิพานคือ ป, ปรมาณูอย่าไปเขา้าใจผิดอย่าไปนึกว่านิพานอะเที่ยงอย่างปรมาณูของพระพิไวเศสศิเพราะความจริงปรมาณูมันก็ไม่เที่ยงอันนี้แหละคําทีในฝ่ายสันสกฤตของฝ่ายมหาญาณเขาเขาค้านไว้อย่างน่าฟังคือเขาค้านบอกว่าปรมาณูของพระิไวเศสศิ์น่ะมีเทสะไหมถามว่ามีเทสะไหมเทสะคือว่ายังจริงที่หรือเปล่า ถ้าอบอกระสกินที่ก็แสดงว่าปรมาณย์ยังถูกเทสะจำกัดอันใดถูกเทสะจำกัดอันนั้นจะจกล่าวว่าเพงไม่ได้มีข้อหนึ่งถ้าแก้ว่าไม่กินที่ถ้าไม่กินที่แล้วปรมาณย์จะต่างอะไรกับอากาศหรือถ้าหาว่าปรมาณย์ไม่ต่างกับอากาศแล้วอะไรมันจะมารวมตัวตัวเป็นสองตัวขึ้นกลายเป็นมหาวิถีรูปไม่ไดความอากาศนั้นคือความว่า ประมาณนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับความว่ามันมีการมาม า, มาบวดตั้งแต่นึ่งตขึ้นไปแล้วก็งวมรายได้ตักันเข้ากลายเป็นมหาโพธิุขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวาทะที่กล่าวว่าประมาณูเป็นอสังกตระและเป็นอติมะเป็นของเที่ยงนั้นจริงไม่จริงไปแล้วเพราะว่าที่เที่ยงถ้าจะกล่าวว่าเที่ยงด้วยแล้วก็มีเทสะด้วยถ้าหากว่าถือว่าประมาณูนะ่ะที่มีเทสะประมาณูกือต้องถูกเทสะจำตัด อีประการหนึ่งถ้าถือว่าเทประมาณูไม่เป็นทต่มือนกับอากาศที่จําว่าประมาลูก็ไม่สามารถมีการรวมตัวทำไม่เกิดมหาพุทโธขึ้นมาได้การที่บอกว่าประมาณูรวมตัวได้นั้นก็คือสแสดงว่าประมาลูไม่ใช่อากาศหรือไม่ที่วามว่าจะมีการรวมตัวใช่ไหมล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นลทัทธิของท่านที่กล่าวว่าประมาลูเป็นอสังกตากินใช้ไม่ได้จึงไม่ใช่ความจริง แล้วก็ท่านก็แสดงว่านิพพานออกมาเป็ประมาณูหรืออ น, นิโรธของที่วัยเสืิศิขาที่ได้และที่วัยเสือศิษย์นี่แหละออกในชื่อคําว่ารัมวายยวาตีเพราะกล่าวการรวมตัวแห่งประมาณูให้เกิดโลกะตะบูทัยขึ้นมาที่พุทธมติก็คัดทานดังปรากฏมาในคำพินิจสมมติแล้วก็ดังปรากฏมาในคำพภีร์ไปนักดิ์ของมหายานเ้านี่ก็เป็นเรื่องอ มาถกฐานปกติวาทีส ม, มาวายะวาที อ, า อ, ย อ, ยา อ, อ่านโย่อๆพขาจบตรงๆทันู้นครับเพื่นจะได้แบ่งเรื่องปกติวาทีและสมะวายะวาทีให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วเจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเทีย่ยวเห็นถึงตามพุทธมตินั้นไม่ตกไปในฝ่ายบาะทัท้งสองอย่างนี้ทั้งที่เป็นปกติวาทีและสมะวายะวาทีเพราว่า แต่ตามวาทศทั้งสองนั้นก็เป็นวาทศที่สุดโต่งเท่านั้นดังที่คุณตะเคียนได้กล่าวแยกแยะมาด้วยความละเอียดละอแสนนี้ก็ค่อนข้างจะสูงอยู่สําหรับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานในด้านปรมัธิธรรมมาเพราะว่าปาตกระชาเรื่องนี้มีความลึกซึ้งอยู่คุ้มมากแล้วก็เป็นการค้นคว้าด้วยความระดีและอขององค์ปารสก ม, มาอย่างดียิง่งที่หนึ่งถามมาว่าเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ไหนนะคุณตะเคียนไม่ได้เป็นคลาแต่ครับผมจะรู้ ถามว่าอะไมันเป็นอามัตนะจนถึงอาบัตทุกบกดมันเป็นอาบัตเปล่าแต่เอย่างนี้มีวิบากเป็นอย่างไรไอ้ชาติมี้ะไรขาดนะขอให้อรีตช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยให้คุณตะ่นอย่างอี่มันฝังเป็นวิบากอาบัตทุกาคเนี่ยอาเมือาวิบากะอาเมือวาบากเลยอาบัตทุางไม่ได้ไม่ได้ห้ามตกคาวน์ตะคาว แต่ว่าศุกการีโลกตะนิยมก็ไม่เป็นไรไม่มีเว ร, รมีกรรติด ต, ต, ต่อต่อไปทุกาคนะน ะ, ะเช่นว่ามีพ้าบันหยัดข่ามไอ้พระอัญญาาะนอาหารเคี่ยวจับจับข้ญญาพันหยักข้ามมันไอ้พอ่ามันต้นท่าแล้วก็โยนเข้าไปในปากี่นเลยเลยหรือหรือาพันหยัดไปกินของสกปรกไปโสมม่าเอาไว้ในตูโดยที่ไม่เอานินทำร่างเสเมือเลอะระกเสระจะดิกลอยังนี้แล้วก็ถึญญงไมรร่จะลงไป ลูกเขาไม่อก็ไม่มีบาปที่ทำอะไรนะให้เป็นฝังคารวะคารวะอะไรกันที่มันได้รับผลลุนี้อามาไวให้ลอกทาปทกเร่ตอนที่าหาพที่จะเป็นตาเพื่อเป็นคารวะกับมาคารวะคือห้าสวรรค์บา้าห้ามมรรคบา้าทอบาปุนี้จะต้องเป็นบาปกระเพืทเวว่ที่ดีกว่าทำไปแลวกวถคืนคืนเป็คนแล้วก็้คืนเป็นคนทคนอ่นยัังคุมและกรทังตัวเองด้วยเช่นข้าก็ตายอย่างนี้ ในข้อบเกียวกับในถุงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกระหัตใจไปอับอาลแต่พระเราเป็นผูตกระเจิเมื่อลูกไปรอดการสิตบ้างที่เรู้อยู่ก็เข้าว่ายลูกลกให้เข้าใจเข้าใจกันก็เป็นแผลในใจเขาเขา้เาใจสงกราเสีงไหวเราที่จินผูกก้มีศีลมากราไหวเราอย่างนี้เราก็ได้รับไอถุงที่เราทามาที่ขึ้ทุกวันทุกวันเป็นหายใจใหญ่ขทุกวันทุกวั น, วนอย่างนี้เมืเ่อเวลาจะบับจิตโดยที่ไม่ยอมสิดหาเราเพล ยังคลองอ้างตัวเป็นสมณะไม่ใช่สมณะกับปฎิยานสมณะไม่ใช่เป็นปมัชิตกับปฎิยานิมรัิดอยู่อย่างนี้แล้วเวลาปูนกับตาคิดก็เข้าหอต้องเข้าหมอคือคำนึงกรรที่ตัวทำมาก็เมื่อเข้าขออแล้วก็ต้องไปสู่ทุกขติทุกปติปาฏิจังหาแต่อันนี้อันนี้เขาเรียกอาบัติตัณยานเป็นาที่ว่าทางธราติเตียนแต่ทางโลกติดเตียนอย่างเรื่องปลาชิดจะเข้าไม่ถุนเนี่ยโลกกไม่ติดเตียนเขาทาได้ถาเป็นเป็นสายโลก แต่ห้ามติดเตียงแล้วเราทำไปไปอบอายาับางอย่างทเลาะิดเตียงทำทำติเตียงเรอันเข้าไปแล้วก็ไปอบอายอาัดบางอย่างต้องทะเลาทำทำติดเตียนเราทาไปแล้วไปบายนะแต่อาบัดที่จะไม่ไปอับอายคืออาบัที่ผมามาเนี่ยข้อเล็กข้อน้อยเช่ืมล้างส่วนในเวลาไปส่วนแล้วรือล้างส่วนปหรือว่าผมผ้าในเป็นตรลิบมลชนเวลาออกจากวัดหรือเวลาเข้าบ้านอย่างนี้ อาบัตประเทศนี่นะไม่มีกำไรเลยนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอาบัติก็ต้องคิดเป็นประเด็นๆตัดอเ่าเอาวมทุก่หมดอ่าเอาบาบูดไหนจะอาบายบดไหนจะอาบาย้ทุกคนกันนี่แหละทุกคนนีและบ้นข้อก็ให้ตาบายบ้านข้อก็ไปให้ตบายัจิีเหมือนกันบข้อก็ให้ตาบายบนข้อก็ไให้ตาบายาปิตเนี่ยนะปัญหาจินนถามว่าที่กล่าวกันว่ากายเทวดาเป็นกายติษ มีอยู่ทั่ว Th ทุกคนทุกแห่งที่อยากจะสร้างมาเวลาเกิดสงครามเช่นางเวียดนามลงจันทร์นระเบิดต่างๆก็ระเบิดกันมากพวกเทวดาไม่โดนระเบิดตายพวกมนุษย์เราหรือเทวดาที่เขาถูกถามๆคือหมายถึุณเทเทวดานะและอาชาติเยะเทวยาเเทวดาในข้นกลางมันก็จะลอยแล้วก็หันจากกูเราไปดูเปรี้ดนกเรี๊ทนี๊ดกุศแสนหนาเดินทางเร็วมากแต่ที่นี่นยังม กายเลยเท่ากับเทวดาเหล่านี้ที่แท้แลถึงนี้มาคุณผู้ชมทุม่านจะท้าตาศึกเวทยานั้นคุณก็เดิดตั้งความก็ยึดวัตถุท่านเหล่านี้กายที่ท่านยึดถือมันก็วัตถุเพราะฉะนั้นจะกระเทือนแ้่ไหน่นก็ไม่กระเทือนด้วยไม่กระเทือนครับไม่เหมือนกับูเรอเนี่ยโตะตัวาหน้าจะมีเวานั่งนเราต้ง้อ้ยกดาโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้สึกหนักเพรนั้นเวดาตอนท่านจะเจ้ากายมนุษย์ไม่เดิาใกันมนุษย์จะลุกละข้าใครจะอยู่ลุก นอกจากพวกท่านต่ำจริงๆนะที่พวกผัวถึงยืดเววันในกระเบื้องเนี่ยบางทีเอาสายคาริมันทำต้นไม้ต้นใสต้นลายเป็นเจ้าสาเจ้าขายอย่างนี้เขาจะเลยงอนต้เข้ามีมานเป็โครเหมือนกันสินี้ี่มันเี้ยงุงมนเปโคถ้าเขาไม่แง่ะเดีนี่แน่นอนละเอื้องน้เยียงจะโดสายการพิเจ้าสาน่เห็นจะหมดเปล่าปลาเอาี้ถีถอนถอาวิมันถอไปทําแน่เลยเพี่เลี้ทางมาเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องอออคือตามเรื่องในทระเพีศานาแสดงว่าพระเจ้าข้าศัตรูเนี่ยทำกันเป็นปรืกรรมคือข้าพ่อจะต้อ ง, ปงเป็นตอเวทีมหานรกแต่กลับเป็นตกในโลอกอุปภที่อุปสรรคานรกซึ่งเป็นขุมเล็กกว่าการที่เป็นที่นี้เป็นข้ า, าพระเจ้าข้าศัตรูได้ทำตัวตนคือประตรงการผสมสังขยาตั้งแรกหรือเป็นข้าพระเจ้าข้าศัตรูข้า พ, าพ่อรื่องจิตที่เป็นสังธารม ข, ขริ คือสุก็เทวทัพชวนแนะนำให้ข้าผลลัพธงอันนี้จริงไม่ต้องไปตกปรรนยยตรกหุ่ใหญ่จตุนาช่วยวิธีขายด้วยขนะ้าข้าข้าตะครุน่ะข้าพอน่ะเจะว่าเปนสถานขาริกตัไม่เชิงเทวทัพจากปนฝะ่ายแรกแรกทีทำเ่อยแันล่นน่ะเล่นเราให้มันเล่นน่ะมานงแลว้วมอนที่เราใหันนี่นะ่อนะอาากีนกุไม่ใข้า อ, อันนี้สานขาิศแนะ่ไ อ, ออะไรจะไปดูสถาาขาลิศเปนเหตุการ์เป็นเหตุการ์เนเหตุอาสขาลเปกาดูทันเกเหตุเหน้ามีอะไร มีท่าอ e ั้งขาที่จะทาั้งขาที่รมกันแต่อะไไม่ร้าอะไ้งขาที่เป็นเหตุการที่ออกคำสังใ้างัผมไปเอาไปยกเนี่กตีท้าพ่อตีทาอย่างมีสานะขาท้าสองขาออกแล้วก็เอาเปลือทาย่างเไม้ไม้ตะเกียงเอาไม้ตะเกียงดไป้แล้วก็เอาล่างเาขาตอนี่ปิ้งในไม้ตะเกียง่านเพไม้ตะเกียนนั้นเลยนี่อ่เาท่ั้งขาแยเขาตาเขาได้บอนี้เขาตีว่าเขางไดบอท่านน่มอิฐเป็นคน่ติดดาว่าตดาวนะคนมากแล้วก็หากว่า ตนี้าดวาท่าเราักวนก็จะรู้ว่าบิดาเป้นคคนมาก็จะไม่ได้รทุกอย่างถ้าเกิดว่าทับจริงเดีพนอย่างนี้ตัวไอ้มื่อก้ฟังคนไปไปขาเท้าเขาจะมีสารตีไฟเนี่ยพระเจ้าคุตีค้ดเองทาเองเพราะั้นอ่ะถ้ามกิท like ับจริงเพียงแต่สันตเกเรเอเอตวเรเดตกลอาไอ้คุณทำน่าก็คืเป็นสเกเรอตกล้แต่สันทออกทอดในประเด็นนี้นประเด็นที่สาให้ไาเท่านี่เองทับในประเด้นสามเราพระ้ตเอ เพราะเหตุนั้นอาเจะาประตูที่ตัองปกครองอเวจี G. แต่อาจ้าระตูกลับตัวทันในศีลเองเลยกลับสัวทันหลังจากพ่อตาแล้วมีชีวันก็กับตัวพอพ่อตายไม่มีชวั น, วนว w วพรเจ้าทัพก็ผูกอเวจีสู่พอสู่ก็จาระูตัวใหญ่จะนั่งจะกนินไ่สุขพวานเลยที่ไมูสเลยกะทั่งวันหนึ่งเปนวันที่้าครับเดือนสุขสตาสที่เดียวาจะเจ้าเาประตูจะหาเลสจะหาทางเาที่จ ะ, ะจะนขอเข้มาตัวเองหาเลสพอเสร็มั่งร้ายจิ ก็คูดไปเปลยขึ้นในที่ประชุมเสนาบดีว่าเอบราปีนี้ทนายก็ทองเพนนวนใหญ่นะอกกูมุกกะ บ, บาลส่งจริงหอมพุ่งตินใจเหลือเกิาปีที่ น, นี่น่ะเหมาะสำหรับเราจะไปขึ้นมาทำกับพวกเจากิธีธรรมนักกาโอาาา้ภาาไยเขาเหนว่าธรรมน า, า, ากการจะมิธีคุณไหนนะที่เหมาะทุกคุกับเราจะไปตุนนาที่ในคืนวันนี้ในที่ประชุมก็มีผูุ้กสิทธิ์ครครวญโขนะตางคนต่างเสนอขู่ตัวบอกว่าขู่ตัวน่ะเป็นาที่คุณในทูลเชิญเด็จไปต้ ใครสุนาาันคนนั้นคนนั้ น, าาา ก, นก็ชาติชาติตัวเฉยเพาะวาที่คู่อย่างนี้่ะโอ้ตัวจะจิ้งค้ายกษ์ีวะหมอชีวะปมารพัรดแค่หลวงพิมเชิญข้าเดก้ารู้เจ่าเพราะรู้หมอชีวะเป็นสุเปตาก็่องดูเวลานี้สุาสเปตาที่จะชีวะกันทันวันตามเมื่อถ้าคิดปิแเงก็จะคือก็จะนั่นน่ะก็เรื่องทั้งนี้เป็นริ้หมีวหมอชีวะตกทำรู้ท่างแต่ททีเฉย เร่อยากจะไปกันแยกกันพวกเคือครท่ของเาเากำลังเชียร์อาจารย์เขาแบบสิ่งนี้วสิ่งนี้อยู่รอยากไปกันแยกเขาเอเงเชียร์สายใจก่อนเอ้เราจะอาจจะต้องเขาเห็นว่เอเราพูดแล้วาไม่เห็นเราทีว่าไม่อยละจิงด้วยเราค้ว่าเขาาเขาไมเอ็ยเลยะอ็งไ้ลอร่องอ่ามารมานะไมสมัยท่านไม่พูดมาบ้างเราคิดว่ากับแบบให้เจ้าขายาให้เจ้าขาขับใหเจอ ไม่กล้าคุยแล้วตอนนี้งคุยเพื่ออคเดียวคือพระกุลกระางอาหารข้ามาพระมุติจาสึ่งเวลานี้พระองค์กระทำที่โีสนม่วนของข่าวพระมุิจ่าแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้ากระตู้ก็เรียม